พ่ออุตสัยเงียบๆนะไม่พูดเลย <c oughs> จริงๆเวียนกันทุกปีวันพระสำคัญก็เวียนกันตลอดแต่ก่อนนี้เวียนกลางคืนก็จะมีเฉพาะคนที่อยู่ในวัดที่มันยังไม่ค่อยพร้อมถ้าคนรู้ข่าวเยอะๆนะมันไม่มีที่เดินเดินรอบสาราแค่นี้ก็เดิน ไม่หมดละเดินรอบเดียวจะบทหรืว่าผมไม่รู้โบทยังไม่เสร็จนะคงปีกว่าๆสองปีกว่าจะเสร็จนะตอนนี้อยู่แบบทาปัดเสร็จแล้วเหลือแบบมีสวกรรมตัว น, นี้ทํายากยากทำนานหลายเดือนกว่าจะเสร็จกว่าจะลงมือสร้างได้คงอีกหลายเดือนอยู่ถ้าทำบทแล้วก็จะมีที่เดินเยอะขึ้น บทจะมีทางเดินรอบๆด้วยก็วันนี้วันมาคบูชาเวลารลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านวางหลักคำสอนบอกกับพระไม่ได้บอกเพื่อให้พระไปลดละกิเลสว่าพระที่ฟังเนี่ยเป็นพระที่ไม่มีกิเลสพระอราหันต์าองรหองค์หนึ่งันองค์เนี่ยคือพวกฉดินสามพี่น้อง เฉดินสาวพี่น้องพวกรัที่บูชาไฟได้มายินได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องไฟพวกนี้บูชาไฟอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าก็สอนธรรมะต่อยอดให้ไม่ไปดูบูชาไฟข้างนอกหรอกนะแต่ให้มาดูอะไรคือไฟตาหูจมูกลิ้นกายใจคือไฟมันนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้เรา รูปเสียงกลิ่นรสพุทธพาธรรมารมณ์คือไฟกิเลสทั้งหลายคือไฟาสายตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดนึกปรุงแต่งกิเลสแทรกเข้ามาไฟก็คือราคะไฟก็คือโทสะไฟคือโมหะเรียกราคกขินาโทสะขีนาโมโหหักขินาไฟท่านสอนธรรมะความ แตกฉานของท่านสมกัที่ท่านชื่อพระควาโตผู้จำแนกแจกธรรมสอนชจดินั้นก็สอนพวกนี้ชอบไฟบูชาไฟท่านก็สอนเรื่องไฟแต่ต่อยอดให้ไฟข้างนอกไปบูชามันไม่ล้างกิเลสมาใช้ศีลสมาธิปัญญาล้างกิเลสเอาอีกกลุ่มหนึ่งของพระสาวกในพันสรูป250รรูปนี่เป็นทีมของพระสารีบุตรกับพระโมคคะา ทั้งทีมนี้มี250องค์เดิมก็เป็นเพื่อนกันพากันออกบวชในสำนักอาจารย์สัญชัยปริภาชกพวกปริภาชกนี่คล้ยๆพวกกลีกพวกหนึ่งนะชอบโตวาทีหาความจริงหาสัจจะด้วยการหั ก, หกล้างกันด้วยตร ก, กะใช้ตร ก, กะสู้กันเถียงกันภาษาริบบทตรนท่านฉลาดเนี่ยท่านไปเรียนไม่นานท่านเถียงเก่งอาจารย์สันชัยก็ยกย่อง เสแล้วท่านก็พบว่ามันไม่เห็นจะมีสาระอะไรเลยเทียงเก่งๆนะไม่เห็นจะพ้นทุกข์ตรงไหนเลยท่าก็เที่ยวสแสวงหาธรรมะกันต่อไปวันหนึ่งไปเจอพระอัสสชิเขได้ยินธรรมะของพระอัสสชิท่านมารยาทงามพระสาริบุตรเห็นพระอัสสชิบิณฑบาทอยู่ท่านก็ไม่ทะเออร์ทล่ทลาไปชวนคุยตอนนั้นนะเพราะท่านจะไปนิมนต์ฉันก็ไม่ได้เหมือนกันท่านก็เป็นนักบวช รอให้พระอาตชีท่านไปบินธบาต ก, ก็เดินตามไปเดินตามไปห่างๆพอไม่ให้พระอาตชีสงสัยว่าผู้ร้ายที่ไหนมาตามนะมีมารยาทดีตามไปแล้วพอใต้จังหวะนะท่านฉันเสร็จอะไรเสร็จก็เข้าไปคุยด้วยถามบอกอินทรีย์ของท่านผ่องใสนะท่านชอบใจธรรมะของใครนะบวกชอบใจธรรมะของพระพุทธเจ้าพระสมณโคดม ผู้ออกจากสักยศตระกูลศาสตาของท่านสอนอะไรถ้าสชชีท่านก็ถ่อมตัวเป็นพระอรหันต์แท้ๆเลยนะถ่อมตัวบอกว่าท่านเพิ่งบวชไม่นานจะมาถามว่าศาสดาสอนอะไรเนี่ยท่านตอบไม่ถ่วท่านเรียนมานิดเดียวเองต้องเรียนไม่กี่วันเองไม่เหมือนพวกเรานะเรียนกับหลวงพ่อนิดหน่อยนะเที่ยวคุยจ่อไปทั้งประเทศเลย นี่หลวงพ่อประโมทสอนอย่างนี้อย่า ง, งี้งงีหลวงพ่อประโมทได้ยินยังไม่รู้เลยประโมทไหนก็ไม่รู้นาะนี่พระพระ่าสชีไม่เป็นอย่างนั้นบอกเพิ่งเรียนเรียนบ้นิดหน่อยอพระสายริบุ ท, ท่านก็ตื้อนะอหน้านิดเดียวก็เอาหน้าที่พูดเป็นของท่านหน้าที่เข้าใจเป็นของผมนี่เท่ไหมเราอย่าไปใช้สวญตามท่านนะเดี๋ยวถูถกเตะเอา ฟังแล้วมันมันซาบไปหน่อยนะสำหรับคนยุคนี้คนใจร้อนแต่คนที่เป็นปรารถกกับปรารถนาเาคุยกันเนี่ยแหมมันซาบซึ้งถึงใจฟังแล้วสะใจดีหน้าที่สอนหน้าที่เล่าก็เป็นของท่านนะหน้าที่เข้าใจเป็นของผมเองพระอาชชีท่านก็บอกว่าเอางั้นก็ฟังก็แล้วกันเยธรมมาเฮตุปภวาเตสังเฮตุงตถาคโตเตสัญเจโยนิโรโทจเอวังมาตีมหาสมนติ ทำเหล่าใดเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติสอนอย่างนี้ภาษาริบุตรฟังนะปิ้งเลยได้พระโสดาบันทําไมเป็นพระโสดาบันธรรมะอั น, นี้สอนอะไรให้เราหรือไม่ท่านสอนทำเหล่าใดอะไรที่เรียกว่าธรรมรูปธรรมก น, นามธรรมนั่นแหละเรียกว่าธรรม รูปธรรมนามธรรมนะั้นไม่ได้เกิดลอยๆต้องมีเหตุถึงจะเกิดถ้าไม่มีเหตุไม่เกิดไม่ใช่เกิดเพราะเราสั่งทำเราได้เกิดจากเหตุพระตถ า, ถ า, ถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นอะไรเป็นเหตุแห่งธรรมเหตุแห่งธรรมมีหกอย่างคือราคะโทสะโมหะนะโลภะโทสะโมหอโะอโลภะอะโทสะอโมหะนี่คือคําว่าเหตุเนี่ยท่า น, นฟังนิดเดียวนะท่านแตกฉานเลยเข้าใจโอ้สิ่งทั้งหลายมันเกิดจากเหตุนะ เหตุมีมันก็มีเหตุไม่มีมันก็ไม่มีไม่ใช่ตามที่เราสั่งเมื่อสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุมันก็เกิดไปดับไปนะแล้วแต่เหตุเกิดได้ดับได้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรเ น, นี่ยภาษาที่บุตรฟังท่านก็เลยได้พระโสดาบันเป็นพระโสดาบันเพราะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้เพราะไม่มีตัวตนทุกอย่างเกิดจากเหตุทั้งหมดเลย แล้วท่านก็ถามว่าตอนนี้พระส า, าสดาของเราอยู่ที่ไหนนี่ของเราเลยนะรีบกระแสะเลยไม่ใช่ของท่านอัศจริคนเดียวแนละ้วพระศาสดาของเราอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยพอบอกที่ให้อยู่เวรุวันใครเคยไปบ้างเวรุวันเคยไปไโมทนาน่าหลวงพ่อยังไม่เคยไปเลยแต่ท่านบอกท่านยังไม่ไปหาท่านต้องไปตามเพื่อนกัน แม้ได้ดีแล้วไม่จริงเพื่อนนะเนี่ยใสั่ภาษาลิบุตรเป็นคนดีจริงๆไปถึงก็รีบกลับไปพระโมคคัลลาเห็นภาษาริบุตรเดินมาแต่ไกลโอ้ทักเลยท่านไปได้ธรรมะมาแล้วสิท่านผ่องใสเหลือเกินเนีผ่องใสพวกเราภาวนาแล้วรู้สึกไหมมันผ่องใสขึ้นเนี่ยพระโมคคัลลาเห็นภาษาลิบุตรเดินมาแต่ไกลก็รู้ต้องได้ของดีมาแล้วล่ะผ่องใสเหลือเกิน เรใส่ริบูดุเลยเล่าให้ฟังว่า ไ, ได้ฟังธรรมะของพระสชัชชิท่านว่าอย่างนี้อย่างนี้พระมคขลาดได้โสดาดด้วยนะเสร็จแล้วก็ไปชวนเพื่อน250องค์ทั้งหมดนะรวมท่านด้วยไปลาอาจารย์ไม่เนรคุณอาจารย์นะไปลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่เลยได้เป็น1250รรูปแต่มาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนวันมาฆะก่อนกี่วัน ใครตอบได้ภาษาลิบุตรกี่วันบนรรลุพระอรหันต์โอ้เอาละสิพระโมคคลาเจ็ดวันใช่ไหมภาษาลิบุตรสิบห้าวันงั้นท่านมาหามาบวชเนี่ยนะก่อนวันมาฆาสิบห้าวันวันนี้ท่านยังเป็นนวากะอยู่เลยนะวันนี้วันมาฆะเพิ่งจะได้สิบห้าวันเองพระพุทธเจ้าก็สอนท่านท่านเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็แสดงธรรมธรรมที่แสดงให้พระอรหันต์ฟังไม่ใช่ธรรมเพื่อการล้างกิเลสแล้วเป็นธรรมเพื่อการที่ว่าผู้เผยแพร่ผู้เผยแพร่ธรรมะนะต้องรู้อะไรบ้างแรกต้องอดทนนะมีขันติเผยแพร่ธรรมะต้องมีขันติมากเลยถ้าไม่มีขันติเผยแพร่ไม่ได้จริงไหมแล้วก็ชี้เป้าหมายเลยเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือนิพพานนะ ก็สอนเลยว่าเส้นทางเดินนี้ต้องเป็นเส้นทางที่ไม่เบียดเบียนนะถ้าเป็นผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบัณฑิตสมณะเลยในสอนวิธีวางตัวส่วนตัวเนื้อหาของคําสอนนั้นไม่ให้ทําบาปทั้งปวงนะทํากุศลให้ถึงพร้อมนะทําจิตให้ผ่องแผ้วไม่ใช่ว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะมีงานต้องทํา งานทำก็คืองานล้างกิเลสงานเจริญกุศลนะงานฝึกจิตฝึกใจให้ฟ่องแผ้วจิตใจจะฝ่องแผวได้ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานั่นแหละแล้วท่านก็สอนเรื่องการวางตัวนะอนุปวาโทอนุปคาโตนะไม่พูดชั่วนะไม่เบียดเบียนล้างผลาญนะสำรวมในพระปฏิโมกอยู่ในที่นั่งที่นอ น, อนสงัดนะ รู้จับประมาณในการบริโภคอยู่ในที่นั่งที่นอนอั น, นสงัดนะประกอบอาธิจิตเห็นไหมสอนอาธิจิตสอนพระอราหันต์แท้ๆเลยยังสอนอธิจิตเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ต้องเรียนนะท่านไม่ได้เรียนเพื่อล้างกิเลสแล้วนะแต่อธิจิตของท่านเป็นที่พักผ่อนของท่านก็คือการทําความสงบจิตเข้ามานั่นเองนะงั้นท่านก็ฝึกเนี่ยสอนพระซึ่งจะไปเผยแพรธรรมะนะสอนตั้งแต่ เป้าหมายนะเงื่อนไขพื้นฐานเลยต้องอดทนอดกั้นนะ้วต้องชี้เป้าเลยเป้าคือฟันิพานนะวิธีเผยแพร่ต้องไม่เบียดเบียนล่างผลาญคนอื่นถ้เผยแพร่ด้วยการเบียดเบียนล้างผลาญคนอื่นไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนไว้ชัดเลยเนื้อหาของธรรมะไม่ทําชั่วทําความดีนะให้ถึงพร้อมแม่ไม่ใช่ทําความดีอย่างเดียวต้องทําความดีให้ถึงพร้อมด้วยนะละชั่วทั้งปวงละบาปทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อมความดีก็ให้ถึงพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะสำรวจดูอะไรความดีอะไรยังไม่ได้ทำสารวจเอาความชั่วอะไรยังไม่ละก็สำรวจเอาแล้วก็มาฝึกกิจให้ผ่องแผ้วด้วยศีลสมาธิปัญญานั่นแหละแล้วก็การวางตัวไม่พูดชั่วนะไม่เบียดเบียนล้างผลาญนะสำรวมในปฏิโมกนะรู้จักประมาณในการบริโภคนะอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงบนะ ก็ประกอบอาธิจิตรวมแล้วหข้อในหลังนีอาจจะแบ่งไปบ้างแล้วนะทีแรกพูดแล้วครบหกแล้วละ <c oughs> รอบสองอาจจะไม่เหมือนรอบแรกแลนะ้วเนี่ยแหละคือเนื้อหาสาระที่ท่านสอนในวันมาค้บูชานะสาระคืออันนี้เองนี่วันนี้ครบรอบตั้งหลายพันปีมาแล้วนะธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยยังอยู่แปลกไหม เรื่องเร า, าสมัยปู่ย่าตายายเราเรายัางไม่ค่อยรู้เลยนึกออกไหมแต่เรื่องของพระพุทธเจ้านะตั้งสอง0ันกว่าปีเขายังทรงจากันมาได้เลยเพราะอะไรท่านมีคุณงามความดีมากคนยังจำได้เรื่องราวของท่านนะท่านไปทำอะไรทำอะไรจำได้กระทั่ง น, นิสัยใจคอท่านนะบางทีท่านจวกคนเอาหนักๆนหมือ ก, กันพระเจ้าเราเป็นพวกปัญญาทิกะ ปัญญาทิกาเนี่ยตัวที่เชื่อมมากับปัญญาโทสะนะนพวกเจ้าเราเนี่ยชุบชับชุบชบเลยไม่มีอืดอัดอ่ออนะแต่เรียบร้อยนะอย่างเวลาท่านเถียงกับคนนะอย่างท่านเถียงกับพวกพราหม์พราหม์ก็อวดตัวว่าตัวเองเกิดจากปากของพระพรหมท่านตอบกลับเลยไม่จริงหรอกพราหมณ์อะไรเกิดจากปากพระพรหมพราม์ทั้งหลายนีย่เกิดจากช่องคลอดของนางพรามมณีต่างหากละ่ะ สํานวนตัวเป็นไงอ่ะ <c oughs> นะหรือท่านเถียงกับสัจกสจกานที้โคลนศัจจกานิีคลนนะเที่ยวอวดตัวว่าฉลาดไม่มีใครเก่งเท่าเลยนะฉลาดมากเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปซักพระสมณโคโดมนะเอาให้เหงื่อรักแร้ไหลเลย <c oughs> เอาให้ตกใจจนเหงื่อตกเปียกลักแร้เลยนะนี่คุยอวดนะมาคุยกับพระพุทธเจ้า ท่านซักเรื่องขันห้าเท่า น, นั้นนะศัจจการิคลนนเงือรักแร้ไหลเลยอท่านยกรักแรให้ดูเลยนะรักแรท่านแห้งเลยนะอเนี่ยสไตล์พระพุทธเจ้าเรานะอย่าไปว่าเ้อติม่มติมจะเดินแต่ละก้าวงุ่มง่ำง่ำู่สู้ไข่เขาได้หรอเนื้อแปลกนะคือเขายังทรงอยู่ได้ทิ้งร่องรอยให้เรารู้จักพระพุทธเจ้าของเราท่มีชีวิตชีวามากเลยถ้าเราอ่านเป็นนะ ถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกเป็นเราจะพบว่ า, พ, าพระพุทธเจ้าของเรานะที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกนะมีชีวิตชีวามากไม่ติ่มติ่ ม, มง่อยๆ อ, อย่างที่คิดหรอกนะงั้นวันนี้เราก็มานึกถึงนะพระพุทธเจ้านึกถึงธรรมะของท่านนึกถึงพระสงฆนะ์นึกหลายหลายอย่างนะดีทั้งนั้นแหล ะ, ะต่อไปให้ครูบานําสวดมนต์หน่อยนะญาติโยมก็สวดตามเขาแล้วกันก่อนจะไปเวียนเทียนกัน เดี๋ยวเราจะเดินออกประตูนี้นะไม่ต้องแย่งกันนะเดินเรียงตามแถวออกไปเดินเรียงสองนะเรียงหนึ่งคงไม่พอที่มันแคบแต่เดินเรียงสองคนที่อยู่แถวนอกระวังตกลงไปนะ <c oughs> เดินให้มีสติให้มากๆนะอา้าใครมีเทียนจุดนะ <c oughs> เทียนเนาะเพวกเรายืนนะยืน <c oughs> ไหวพระกัน ว่ายพระกันนะอิมินาส ก, กาเรณนะพุทธังอะภิปูชยามะอิมินาส ก, กาเรณนะธมอะภิปูชยามะอิมินาส ก, กาเรณนะสร้างคัอภิปูชยามะ พระเล็กๆนี่หลวงพ่อไม่ได้ทํานะไม่ได้ทําเองหรอกคนเขาให้มาเขาเรียกว่าชอบเอาพระมาถวายพระ <c oughs> หลวงพ่อไม่รู้จะไปทำอะไรจะแจกนะได้แล้วก็ร ะ, ะลึกถึงพระพุทธเจ้าพระจะศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะถ้าเราร ะ, ะลึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เรื่อยๆศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดสู้กิเลสได้ สู่ความทุกข์ไดนะ้จะทําสมาธิทําให้ลงนะไม่ลงง่ายๆเอาพระมาถือไว้นะดูให้สบายใจทําใจให้สบายนึกถึงพระนะสวดมนต์ไปเรื่อยๆ ใ, ใจก็ได้สมาธิขึ้นมาครูบาอาจารย์บางองค์ท่านทาพระให้กรรมนั่งสมาธิหลวงปู่ดูหลวงปู่ดู่ก็มีพระเรียกพระกํานั่ง กำเดินก็ไม่ได้ต้องกำนั่ง <c oughs> <c oughs> เป็นอุบายของครูบาอาจารย์ที่ท่านจะบอกคนทั้งหลายยังติดในวัตถุธรรมะธรรมะเข้าใจยากเอาธรรมะเป็นที่พึ่งบางคนยังพึ่งไม่ไหวก็วมีวัตถุเลือกมีวัตถุมงคลนะดีกว่าวัตถุอัปมงคลนะ เรามีพระอยู่แล้วก็ถือศีลคนทุศีลพระไม่ขลังหรอกพระขลังจริงๆน้องสู้กิเลสได้นะนสู้กิเลสได้ห <c oughs> ลวงปู่ดูลก็แจกพระนะแต่หลวงพ่อไม่กล้าขอท่านถ้าคนไปหาท่านนะท่านจะแจกพระเขาจะได้รีบกลับเป็นศิลปะของท่านเขาภูมิใจดีใจแล้วมีความสุขแล้วกลับ แต่ถ้าใครภาวนาแล้วไปขอท่านนะท่านจะพูดเพร้อเพลอเลยฝึกจิตฝึกใจมาถึงขนาดนี้ยังไม่หายโง่อีกเหรอโ่หลงพ่อไม่กล้าขอท่าน <c oughs> ไม่กล้าขอท่านอ <c oughs> อาต่อไปเรามาแผ่เมตตาหน่อยนะใครสวดเป็นถ้า จ, จะสวดไม่ค่อยเป็นมั้ง พวกพระช่วยกันสวดอยู่แล้วกันอาหังสุขิตโตมินิทุโคมิอเวโรโมิอัพยาปัชโชมิอานิโคมิสุขีอัตตานังปาริหารามิ สัพเพสัตตาอะหุนตุสัพเพสัตตาเวระหุนตุสัพเพสัตตาเวระปัสสุหนตุหุนตุขีตานังปริหารันตุ สัพเพสัตตาสัพพะทุขะปมุจฉันตุสัพเพสัตตาลัทธะสัมปติโตมาวิกขฉันตุสัพเพสัตตกามะสัก a ะกามะดายะ m a กามะโยน m กามะ t ัน a ุกามะปติสารนา ยังกำ ม, มังการิสันติกัรลียนังว่าปะปังวะทัสสะยาจาพรพวิสันติสัพเพสัตตาสญาหุาานตูอเวราสุขาชีวิโนข้อปวงสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกัน เป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกะตังปุญยังพลังไม่หังสัพเพภาคีพะวันตุเตขอสัตว์ทางสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันข้าพระเจ้าได้บาเพ็ญแล้วนั้นเถินอะนะ ไปภาวนาตนเองกับบ้านหมดกิจกรรมนะเดี๋ยวพระจะไปปาฏิโมกข์ละพระงานเยอะนะวันวันหนึ่งเยอะมากเลย <c oughs> โนธนานะพวกเรา